ทำไมจะมีอะไรมาหาท่านตรงตามความคิดเสียทุกครั้งเช่นนั้นอย่างเราๆท่านๆคิดคนละกี่ร้อยกี่พันเรื่องและกี่ร้อยกี่พันหนก็ไม่เห็นมีอะไรมาตอบสนองความนึกคิดความต้องการบ้างเลยพอให้ทราบว่าเราก็มีอะไรดีๆพอตัวผู้หนึ่งที่ควรได้รับความเทื่อทูนอย่างท่านนอกจากคิดลมๆแรงๆไปพอให้กวนใจได้รับความลําบากทรมานปเปล่าๆเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรพอเป็นชิ้นดีแฝงมาบ้างเลย จึงน่าอับอายความคิดของตัวที่ขนแต่กองทุกข์มาให้วันละกี่ร้อยกี่พันเรื่องจนสมองทื่อหมดกำลังที่จะทำงานต่อไปหลวงปู่เริ่มป่วยจากโรคชรานับแต่ปี2526ย่ากเข้ามาอาการเจ็บป่วยอ่อนแอของหลวงปู่ก็เริ่มปรากฏมาพร้อมๆกันเรากับได้นั้นแนะกันไว้ท่านมักเจ็บป่ ว, วยบ่อยๆทั้งที่ปกติโรคชราก็ทางานประจาขันอยู่แล้ว เริ่มลุกและเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่เป็นปีๆอยู่แล้วโรคที่เพิ่มความซุโซงก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆจนรู้เห็นได้ชัดในสายตาและความรู้สึกของบรรดาสิทธิและประชาชนที่เขากราบเยี่ยมส่วนคณะนายแพทย์ที่คอยดูแลรักษาลุงปู่เป็นประจำไม่ขาดตลอดมานั้นคือคณะแพทย์ทางอำเภอหนองบัวลำพูและคณะแพทย์ทางโรงพยาบาลอุดรได้ควบคุมดูแลอาการของท่านเป็นประจำศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกษิง นับว่าได้ดูแลท่านหลวงปู่อย่างใกล้ชิดท่านหนึ่งทั้งเวลาปกติและเวลาเจ็บป่วยมีการไปไปมามาอยู่เสมอมาเป็นเวลาหลายปีแล้วทั้งหมอที่มาจากสำนักพระราชวังเป็นครั้งคราวช่วยกันพยาบาลรักษาท่านอย่างใกล้ชิดด้วยความสนิทใจและเคารพเลื่อมใสในหลวงปู่จริงๆแม้เช่นั้นอาการต่างๆก็คอยแต่จะคําเริบมอยู่เสมอท่านมีอาการเวียนศรรยีรษะเป็นประจำนั่งนานไม่ค่อยได้นี่เป็นสาเหตุแห่งโรค ชนิดอื่นจะตามมาเช่นโรคบวมตามหลังมือหลังเท้าอ่อนเพลียมากชันไม่ได้อาการเหล่านี้ค่อยทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันเวลาจนกลายเป็นคนไข้หนะักทั้งที่หาไข้จริงๆไม่เจอเจอแต่อาการเหล่านี้ในองค์ท่านไม่ปรากฏมีโรคชนิดใดอย่างแท้จริงปรากฏเลยในความรู้สึกของหมอและคนทั่วไปจึงรวมลงในจุดเดียวกันว่าท่านมรณภาพด้วยโรคชราโดยแท้ การเขียนเรื่องอาการป่วยของท่านเห็นว่าไม่มีอะไรแปลกและพิสดารผิดธรรมดาจึงเขียนเพียงย่อๆพอท่านผู้อ่านทั้งหลายเข้าใจกันวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2526เวลา5นาิกา45นาทีหลวงปู่ก็ปรณภาพด้วยอาการอันสงบท่ามกลางสานุรสิทธิ์ซึ่งมีจำนวนไม่มากนักในเวลานั้นเพราะเป็นตอนเช้าพระก็เริ่มออกบิณฑบาต ประชาชนก็ยังไม่มีมากที่กุดีใหญ่ที่ทันพักเป็นประจำในวัดถ้ำกลองเพนอําเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดอรธานีเมื่อข่าวรณภาพท่านแผ่กระจายออกไปข้าราชการพ่อค้าประชาชนพระเนนทราบต่างก็หลั่งไหลามากราบเยี่ยมสัพท่านเป็นจนํานวนมากจนไม่อาจพนานาทางจังหวัดได้รายงานเรื่องนี้ไปยังสํานักพระราชวังโดยด่วน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดเวลา9นาฬิกาได้เคลื่อนย้ายศพหลวงปู่มาตั้งบํมเพนกุศลที่ศาลาเมตตาอนารายโยโดยเปิดโอกาสให้สัทธาประชาชนทั่วไปเข้ากราบนมัสการรถนำ้ำศพในวันที่16พฤษภาคม2526เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเวลา16นาฬกา30นาทีสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาพระราชทานน้ำอับศพและทรงเป็นประธานในงานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและตั้งศพบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโกโถฉัดเบญจาตั้งประดับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ พระราชทานเงิน 400,000 บาทเป็นค่าอาหารถวายพระและค่าใช้ใจ่ายต่างๆตลอดจิตวันด้วยกำหนดการงานศพของหลวงปู่ขาววันที่ 17-23 พฤษภาคม2526เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงราชานุเคราะห์เป็นเจ้าภาพสวดศพ ส, สวนทางราชการจังหวัดอุดรธานีสลับกันไปฟังสวดพระอภิธรรม เวลา8นาฬกาของวันรุ่งขึ้นไหวพรทาหารแด่พระพิสุสงฆ์โดยราชการหน่วยต่างๆของจังหวัดอุดรธานีและสลับกันไปฟังสวดพระพิธรรมและคอยดูแลความเรียบร้อยของงานภายใต้การอํานวยการของนายสมภาพศรีวรขานผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนายธนวัฒน์วีระธรรภูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีวันที่17พฤษภาคม2526เวลา16นาฬกา พระราชทานน้ำอาบศพบรรจูเข้าโกรธวันที่ยี่ิเอ็ดพฤษภาคม2 5 2พันห้ายี่หกเวลาสิบสี่นาฬิกานายพิสารมูลศาสตรสาทรปลัดกระทรวงมหาไทยได้ไปคารวะศพหลวงปู่ขาวรับพระราชทานโปรดเก้าวางรีดของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและพระองค์เจ้าสมวรีพระวราชายาทรงร่วมทาบุญฟังสวดพระิธรรม วันที่22พฤษภาคม2526เวลา15นาฬิกาพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการฐานบกเดินทางไปคารวะศพท่านวันที่23พฤษภาคม2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบำเพ็ญพระราชกุศลครบวันที่เจทรงพระราชทานมอบให้ในายสมาพศาศสีวะรคารผู้อาราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนพระองค์ในการบำเพ็ญกุศลต่อไป โดยพระสงฆ์สี่รูปสวดพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระสงฆ์สีรูปสวดธรรมค า, าถาใน พ, พนพระพิธีสวดพระพิธรรมหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจุมพะวงศงราชานุเคราภเป็นเจ้าภาพสวดศพครบเจ็ดวันแล้วได้มีสิ ท, สทธิอนุสิ์มาจองเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมสืบต่อกันไปไม่ได้ขาดเริ่มตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2526 ด็อรเฉานศิรวันองคมนตรีคุณทเนศคุณกิมเตียวเอียสกุลอาจารย์สรนเสริญและอาจารย์สมาลิอุษย์เฉลิมเป็นเจ้าภาพและมีผู้จองเป็นเจ้าภาพโสวดพระ พ, พิธรรมต่อไปจนถึงห้าสิบถึงร้อยวันมิได้ขาดและจะมีต่อไปจนถึงวันพระราชทานเพลิงโดยเฉพาะในรอบเจ็ดวันทุกๆวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชทานราชานุเคราะห์เป็นเจ้าภาพตลอดไปจนถึงวันพระพระราชทานเพลิง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 วัดป่าบรนตาลอุดรธานี 3. พระอาจารย์บนเพลงเขมารพิระโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกรองเพนอุดรธานี 4. ีพระเทพสุเมธีเจ้าคณะภาคสิบหพระศรีธรรมวงศาอาจารย์อุดรธานี 6. นายสมภาพศ ร, รีวรคานผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 7. น, นายธนวัฒน์วีระธรรมภูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี8 ศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกตสิงเก้าร้อยเอกวีรพันธ์จังคัศรินายอำเภอหนองบัวลำพูสถานที่พระราชทานเพลิงศพของหลวงภูเขาแห่งนี้เมื่อเสร็จจากการพระราชทานเพลิงศพผ่านไปแล้วจะใช้เป็นที่สร้างอนุสาวรีย์หลวงปู่ห้จีรังถาวรต่อไปเพื่อเป็นปูชนียสถานที่รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธตลอดกาลนาน การเขียนประวัติของปู่ท่านก็คงจะยุติเพียงเท่านี้เพราะได้เรียนไว้แล้วแต่ต้นว่า ท, ทุกวันนี้สุขภาพไม่ดีโรคกําเริบบ่อยสัญญาขันเหลวหลางานการยุ่งมากพยายามแย่งอุปสรรคที่กล่าวมาเขียนพอเป็นปากเป็นทางเพียงเท่านั้นเองไม่ละเอียดละอ่อทั่วถึงตามความเป็นมาของท่านนับแต่วันบวชมาจนถึงวันมรณภาพเลยองเล็บเปิดวันท่านนิพพาน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 อนาลโยวาดของหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนอุดรธานีหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าเราเป็นผู้แนะนําสั่งสอนทางทางออกจากโลกก็ดีทางไปสวรรค์ก็ดีทางไปนิพพานก็ดีเราจะถาคตเป็นผู้แนะนําสั่งสอนให้เท่านั้นแหละตนนั่นแหละพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต้องทําเอาเองแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายก็ทําเอาเองทางนั้นตนแหละทําให้ตน ตนจะออกจากโลกก็แหม่นตนตั้งอกตั้งใจทำใส่ตนตนจะติดอยู่ในโลกก็แหม่นใจของตนไม่อยากไปเพราะหลงตนหลงตัว 2. องทำทั้งหลายจะทำดีทำกุศลก็ใจนี่แหละเป็นผู้ถึงก่อนเป็นผู้ถึงพร้อมจะทำบาปอากุศลก็ใจนี่แหละจะผ่องแผ้วแจม่มใสเบิกบานก็ใจนี่แหละจะสร้างมองขุนโมก็ใจนี่แหละใจสร้างมองขุนัมแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ในโลก จะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขครันใจผ่องแผ้วแล้วรพระพุทธเจ้าท่านว่ามนาซาเจปสั้นเนนะบุคคลผู้มีใจผ่องแผ้วดีแล้วแม้จะพูดอยู่ก็มีความสุขแม้จะทำอยู่ก็มีความสุขตะโตนะสุขะมัมัเนวติอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีความสุขมีความสุขเหมือนเงาเทียมตนไปสาม ถูกเป็นของจริงอันประเสริฐมันมาจากไหนค้นขึ้นไปสิเห็นแต่ว่ามาจากโง่นั่นแหละดวงจิตเป็นผู้โง่มันจึงต้องเป็นต้องเดือดร้อนมันจึงไข่มันจึงปรารถนามันจึงอยากเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเกลียดเพราะชังมันชังมันก็ไม่อยากเป็นแล้วก็หาของมาแก้ไขหาคิดอีหยังมาทาหนังเหี่ยวก็เอามาทาลอกหนังออกมันได้กี่วันมันก็เหี่ยวอย่างเก่าสี่ อวิชาตองเล็บเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปท่านว่าให้ดับความโง่อันเดียวเท่านั้นผลดับหมดเพราะทำทั้งหลายไหลมาแต่เหตุทำทั้งหลายดีก็ดีชั่วกว็ดีไหลามาแต่เหตุคือความโง่ความไม่เข้าใจคิดว่าเป็นตัวตนก็ได้รับผลเป็นสุขเป็นทุกข์สึไปท่านเรียกว่าวัตตะการวนวนไม่มีที่สิ้นสุด ห้าจิตเมื่อทําความชั่วไว้แล้วมันก็ไม่ลืมใครไม่ต้องการสักคนหมดทั้งนั้นความชั่วบาปกรรมให้คิดดูนักโทษเขาลักเขาปล้นสะดมแล้วเขาก็หลบหนีไปซ่อนอยู่ตามป่าตามเขาตามถาม้ำตามดงเพราะเขาไม่ปรารถนาจใจพวกตำรวจไปจับเขาอันนั้นมันก็ไม่พ้นดอกบาปหนะหนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอาญานะตาหูจมูกลินกายอาญตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ เห็นรูปมากระทบตาเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่เสียงมากระทบหูเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่อีกถ้ารูปนี้ก็เกิดความยินดีชอบใจเป็นสุขเวทนาอยากได้ถ้ารูปไม่ดีเกลียดชังเกิดทุกขเวทนาไม่อยากได้ก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นตันหาเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าขันของตนตัวของกูกูไปอยู่ที่โน่นกูไปอยู่ที่นี่กูเป็นพระกูเป็นเนนเมื่อมีอุปทานก็เป็นเหตุให้อยาก เป็นเหตุให้เกิดภพคือกามาภพรูปภพอรูปภพเกิดภพแล้วเป็นเหตุให้เกิดชาติเกิดชาติก็เป็นเหตุให้เกิดชราพราณะเกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุอุปยาดความคับแค้นอันอัน้นปันชายอยู่ในสังฆราชนี่แหละถ้าดับความโง่อันเดียวเท่านั้นแหละผลไม่มีดับเหตุแล้วผลก็ดับไปตามกัน7จ็กลบุตรผู้รักษาศีลถึงพร้อมด้วยศีลบริบุรณษแล้วย่อมมีความสุข แม้จะเข้าไปคบหาสมาคมกับบริษัทใดๆก็ตามบริษัทกษัตริย์ก็ตามบริษัทกษหาบดีก็ตามบริษัทสมณพราหมณ์ก็ตามเป็นผู้องค์อาจกล้าหาญไม่มีความขั่นคร้ามต่อผู้คนเพราะคิดว่าเราบริสุทธิ์แล้วถึงไม่มีความรู้ก็ตามไม่คิดกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาโทษว่าเราว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่คิดอย่างนั้นไม่กลัวแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นที่รักแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกัน คนผู้มีศีลดีแล้วย่อมใจเย็นจิตมันอย่างเข้าไปถึงกันแปดพระพุทธเจ้าว่าธรรมะมันอยู่ที่อื่นอยู่ที่สกุลกายของทุกคนดูจิตใจของตนนี้ให้มันเห็นความจริงของมันพระพุทธเจ้าว่าสกลกายของเรานี้มันเป็นทุกข์สกุลกายนี้ไม่เที่ยงก้อนอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันอยากจะเป็นไปอย่างใดก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันกิริยาของมัน มันไม่ฟังคำว่าอยากแก่มันก็แก่ไปอยากเจ็บมันก็เจ็บไปอยากตายมันก็ตายไปทาเหล่านี้ไม่ใช่ของใครให้พิจารณาดูให้เห็นเป็นก้อนธรรมมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นมันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนันตาตกอยู่ในไตร ล, ลักษณ์เป็นผู้หญิงผู้ชายก็สมมติทั้งนั้นเก้าใหพากันตั้งใจ วันหนึ่งวันหนึ่งเราจะนั่งภาวนานั่งภาวนาก็ให้นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดํารงสติอย่าปล่อยใจให้ตั้งสติอยู่กับใจให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์ที่แรกว่าพุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆสามผลแล้วจึงเอาแต่พุทโทธอันเดียวทํางานอะไรอยู่ก็ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกทําได้ทุกอิริยาบถได้ทั้งสอิริยาบถยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ หมดนอนไม่เป็นท่าดอกเอนลงไปเดี๋ยวก็เอาส ง, งีบเถอะเดินนั่นแหละดีนั่งกับยืนก็ได้ได้ทั้งสี่เริยาบทพากันทําเอาความมีอัตภาพนี่มันเป็นทรัพย์ภายนอกเงินทองแก้วแหวนบ้านช่องเรือนชานต่างๆที่หามาได้ก็เป็นทรัพย์ภายนอกติดตามเราไปไม่ได้ดอกเมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้กายอันนี้เมื่อตายแล้วก็นอนทับผมแผ่นดินอยู่ไม่มีผู้ใดเก็บสิบถ้ามีสติกําหนดเข้ามาจะรู้ทุกเวลาว่า จิตของเรามีราคาไหมหรือหายแล้วไม่มีก็จะรู้จําเพาะตนนี้ดูโทสะมีอยู่หรือหายโทสะแล้วดูโมหะความโม่หข่าวความหลงยังมีอยู่ก็จะรู้หรือจิตของเรามันหายโทสะหายโมหะแล้วก็จะรู้พระพุทธองค์จึงให้พิจารณาเข้ามาให้เห็นเห็นอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมจิตของตนเป็นอย่างไรจิตของตนเป็นกุศลมีเมตตามีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่หรือมันยังมีราคะโทสะโมหะครอบงาอยู่ก็จะรู้ แล้วจะได้แก้ไขตัวมันรีบปลดเปลื้องออกไปรีบเรล่งทำความเพียรขับไล่สิ่งที่เศร้าหมองคือราคะโลภโทสะโมหะออกไปให้มันเบาบางออกไปออกจากคันธสันดานรวงจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องทําให้คนบริสุทธิ์ทําให้คนมีสิริมีภพอัพทร์ก็เพราะคนเป็นผู้ทำความดีมีศีลศีลที่บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งภพอัพย์ 11. ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นว่าขันของตนว่าตัวของกูกูไปอยู่ที่นูน้นกูไปอยู่ที่นี่กูเป็นพระกูเป็นเนนอุปาทานเมื่อมีอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้อยากนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดพบคือกรรมภพรูปภพอรูปภพเกิดพบแล้วเป็นเหตุให้เกิดชาติเกิดชาติก็เป็นเหตุให้เกิดชารามรณะเกิดโสก ป, ปริเทวทุกขะโทมลสุปายาตความขับแค้น อ, อันอันตันใจอยู่ในสงรรังสารวัชรนี่แหลดับความโมโหอันเดียวเท่านั้นแหละผลไม่มี ดับเหตุแล้วผลก็ดับไปตามกันผลที่กล่าวนี้คือได้รับความทุกข์ความสุขไม่มีดับคือดับอวิชชากว่าโง่ทั้งแหละตัวเหตุตัวปัจจัยสิบสองเราอย่ามันขยันแต่ทําบาปให้ขยันแต่ทาดีทําความบริสุทธิ์ทําบุญทํากุศลนี้ให้มันทางนี้บาปด่ากันบาปมันขึ้นมาหน้าแดงเหล่านี้ทําบาปคือขันแท้ไปขยันใส่บาป ครรู้จักว่าบาปก็บอกขยันแล้วจึงว่าให้กลัวบาปคาเถียงกันด่ากันทะเลาะวิวาทเบียดเบียนกันเป็นบาปจะไปขันใส่มันให้หลีกไปไกลให้เอาใจเว้นอย่าเอาใจใส่ขันเป็นแล้วมันก็บอกมีความเดือดร้อนใครจะว่าอย่างไ น, นก็ตามเราบอกว่าใส่เขาดอกเขาติดชิ้นินทาเขาก็ว่าใส่เขาเองปากเขาก็อยู่ที่เขาหูเขามันก็อยู่ที่เขาสิบสามอัตภาพเป็นของกลางไม่ใช่ของใครทั้งหมด ก้อนใครก้อนเราเป็นของได้มาอันบริสุทธิ์เกิดมาชาตินี้ก็เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์พ้นจากใบบ้ า, บ, าบอดหนวกเสียจริตมีร่างกายตาหูจมูกกลิงนกายใจสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็ควรพาการพิจารณาว่าเราเกิดมาชาตินี้ได้สมบัติอัน ส, สมบูรณ์แล้วเราต้องเอามันทําประโยชน์เสียเอากระมันเสียอย่าไปปล่อยให้มันแก่ขึ้นตายขึ้นเสื่อๆสมบัติอันนี้เป็นแต่ภายนอกเอานํามันเสีย เอาทรัย์ภายในเอาอริยทรัพย์ทรัพย์อันติดตามตนไปได้ทรัพยสมบัติที่เราแสวงหาอยู่ในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีได้เป็นเอียงก็ตามเป็นของกลางหมดเป็นทรัพย์ภายนอกที่เราได้อาศัยมันช่วชีวิตนี้เท่านั้นครั้นขาดลมหายใจแล้วสมบัตินี้ก็เป็นสมบัติของโลกอัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นสมบัติของโลกมันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟสิบสประโยชน์ตนคือทําความเพียรคือทําจิตให้สงบเป็นสมาธิ จิตมันดีแล้วให้มันสงบเป็นสมาธิครั้นมันเป็นสมาธิแล้วทําให้มันแน่วแน่มีอารมณ์อันเดียวแล้วก็จิตนั่นแหละมันจะเป็นดวงปัญญาขึ้นมามันจะส่องแสงมันมีกระแสจิตพุ่งออกมาพิจารณากายอีกซ้ําอีกมันก็จะเห็นชัดครั้นมันสงบแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาสัจจาของจริงทั้งสี่สัจธรรมของจริงของจริงของดีของพระพุทธเจ้าของพระสาวกพุทธิยินได้ฟังแล้วเห็นจริงอย่างนั้น จรงอย่างไรดีอย่างไรดีเพราะว่าเหมือนดังพระสาวกท่านทั้งหลายเบื้องต้นก็เป็นปุถุชนนี่แหละเมื่อได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาตามเห็นตามเห็นแล้วเกิดนิพพิธาในเบญจขานว่ามันไม่ใช่ของเราเป็นเพียงของใช้ไม่ใช่ของเรานี่แหละเห็นจริงชัดแล้วก็ละถอนปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทําให้ปุถุชนเป็นพระอริยะเจ้าได้จึงว่าของจริงสิบห้าตัณหาความใคร่ ความใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมันเป็นตันหาความดิ่นรนอยากมาได้แล้วก็อยากเป็นทีนี้มันเป็นตันหาขึ้นอยากเป็นคืออย่างเป็นอินพรมเป็นจักรพัดเป็นเศรษฐีขหาบดีอยากเป็นเพราะตันหามีตันหาสามความใคร่เรียกว่ากามตันหาความดิ่นรนอยากได้เป็นภาวะตันหาวิภวะตันหาคือความไม่อยากเป็นไม่อยากมีเหมือนผมหอกฟันหักร่างกายหดเหี่ยวตามืดตามัวความแก่ไม่อยากเป็น อารมณ์ที่ไม่ชอบก็มาอยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นนี่เรียกว่าวิภวะตัณหามีความขัดเคืองตัณหานี่เป็นเหตุให้จิตใจเกิดทุกข์เพราะเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาให้เห็นทุกข์เสียก่อนอันใดเป็นทุกข์อัตภาพร่างกายหมดทั้งข้อ น, นี้เป็นทุกข์ทุกข์มาจากความเกิดสิบหกทำทั้งหลายหลายมาแต่เหตุอะไรเป็นตัวเหตุ ต, ห ต, ตัวเหตุคืออวิชชาความโง่เนี่ยแหละมันไหลามาอะไรเป็นอวิชชา จิตงงน่ะแหละเป็นอวิชชาอะไรเป็นสนิมของอวิชชามันนั่นแหละเป็นสนิมของมันเองเหมือนกันกับเหล็กเหมือนกันกับดาบและคุบมีดครั้นไม่รับมันอยู่นานๆใครเอามาใส่สนิมน่ะมันก็เกิดขึ้นของมันเองมันขนเอามาเองหมักหมมทําให้เกิดสนิมจนว่าจิตดําจิตมืดน่ะมันเองแหละเป็นสนิมของมันเมื่อทําสนิมให้มันออกจากดวงจิตนี้แล้วจิตตังดันตังสุขวะหัง ให้เป็นผู้มันพยายามหัดทรมาสั่งสอนมันอย่าไปปล่อยตามใจมันให้มีความรู้เท่ามันอย่าไปตามใจมันหัดให้มันอยู่ในอำนาจของสติสติควบคุมขัดไปขัดมามันก็เขาหรอก